พุทธวสวัสดีคะ่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตั้งแต่ตีห้าถึงตีห้าครึ่งรายการ ส, ามสัมม น, นาสนทนาก็จะมากล่าวต้อนรับท่านให้ได้พบความสวัสดีจากการเข้าถึงพุทธวัจนะธรรมวินัยจากพุทธโอตกันรายการนี้เราพบกันเป็นประจำอย่างนี้และท่านก็จะได้งอกงามในคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆซึ่งในห่วงเวลานี้ กำลังแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับพระสูตรที่พระพุทธองค์ได้แสดงไว้ ในสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาคือสังเวชนียสถานสถานที่ต่างๆนะคะโดยพระมารชาควโรวัฒนาป่าพงลำลูกาคลองสิบซึ่งเพิ่งเดินทางไปเยือนสังเวชนียสถานจะได้มาสาธยายให้ท่านฟังค่ะในมส ก, กรรมกับท่านค ะ, ะนวันนี้จะเป็นพระสูตรเกี่ยวกับที่ไหนคะที่ก่อนที่พระองค์จะเข้าไปกุสินาราเรื่องของการที่ทรงปลงอายุสังขารค่ะนิมนต์ท่านเลยค่ะวันนี้เราก็มา ปฏิบัติทำความเพ่งเผากิเลสด้วยการเจริญอาณาปานสติกันพร้อมทั้งฟังประสูตรเรื่องของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงปรงอายุสังขารพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยให้เรามีสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าและลมหายใจออกถ้าจิตหลุดไปคิดก็ให้รีบดึงกลับมาและตั้งสติไว้ อยู่กระลมหายใจหรืออิริบทอื่นๆของร่างกายพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัส ก, กับพระอา น, นุ์ไว้ดังนี้ว่าอา น, นุ์บัดนี้เรามีสติสัมปชัญญะปลงอายุสังขารแล้วณปาวะเจดีนี้ พระอานอนท์ได้สติจึงทูลขอให้ดำรงพระชนชีพอยู่โดยอิทธิบาทภาวนาชั่วกับหนึ่งหรือยิ่งกว่ากับซึ่งทรงปฏิเสธและทรงตรัสว่าอานอนท์อย่าเลยอย่าวิงวอนตถาคตเลยมิใช่เวลาจะวิงวอนตถาคตเสียแล้ว พระอานนทูลวิงวอนอีกจนครบสามครั้งพระองค์จึงตรัสว่าอานนตถาคตได้บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าสัตว์จะต้องพัดพลากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นสัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้แต่ที่ไหนเล่าข้อที่สัตว์จะหวังเอาสิ่งที่เกิดแล้ว เป็นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีการแตกตับเป็นธรรมดาว่าสิ่งนี้อย่าชิบหายเลยดังนี้ย่อมไม่เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้อานน์สิ่งใดที่ตถาคตพ้นแล้วคายแล้วปล่อยแล้วละแล้วสลัดแล้วสิ่งนั้น คืออายุสังขารที่ตถาคตปรุงแล้วตถาคตกล่าววาจาตายตัวแล้วว่าจะมีการปรินิพานไหนไม่ช้าตถาคตจักปรินิพานต่อครบ3ามเดือนจากนี้การที่จะคืนคำนั้นแม้เพราะเหตุจะต้องเสียชีวิตก็ไม่เป็นสิ่งที่จะเป็นไปได้เลย อานนนมาเถิดเราจะไปสู่ป่ามหาวันเราจะไปยังกูตคารศาลาอานนนเธอจงให้ภิกษุทุกรูปบรรดาอาศัยเมืองเวสาลีมาประชุมพร้อมกันที่อุปทานศาลาเถิดครั้นภิกษุประชุมพร้อมกันแล้วได้ตรัสอภิญญาเทศิตธรรมดังนี้ ภิกษุทั้งหลายทำเหล่าใดที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำเหล่านั้นพวกเธอพึงเรียนเอาให้ดีพึงเสพให้ทั่วพึงเจริญทำให้มากด้วยอาการที่พรหมจรรย์ น, นี้จักมั่นคงอยู่ได้ตลอดกาลนานข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์ เก้อกูลแกมหาชนเพื่อความสุขแกมหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกือ้อกูลเพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายทาเหล่าไหนเล่าที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งคือสติปัฏฐานสี่ สัมมประานสอิทธิบาทส 4, อินสีห้าพละห้าโพชฌงเจ็อริยมรกมีองค์8ษุทั้งหลายบัดนี้เราจะเตือนท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังประโยชน์ตน ประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดการปรินิพานของตถาคตจะมีในการไม่นานเลยตถาคตจกปรินิพานโดยการร่วมไปแห่งสามเดือนจากนี้สัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิต ทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบอยู่ล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดชันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลาย ก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉันนั้นวัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราริบหรี่แล้วเราจะละพวกเธอไปสาร ะ, ะของตัวเราเองเราได้ทำไว้แล้วภิกษุทั้งหลายพวกเธอจึงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติ มีศีลเป็นอย่างดีมีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดในธรรมวินัยนี้เพิกสุดใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจากละชาติสังสาระและกระทำที่สุดแห่งทุกได้ดังนี้แล วันนี้เราก็ปฏิบัติมาได้สมควรแก่เวลาพร้อมกับฟังประสูตรช่วงที่พระพุทธเจ้าใกล้จะปรินิพานเดี๋ยววัอาทิตย์หน้าเรามาปฏิบัติทําความเพียรเพราะเกล็ดกันต่อวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้ค่ะเราก็ได้ทราบนะคะว่าพระพุทธองค์นั้นทรงล่วงรู้ก่อนว่าจะปรินิพานแล้วก็ได้ตรัสเอาไว้เลยที่ปาวาลเจดีนะคะว่าอีกสมเดือนข้างหน้านี้จะปรินิพานแล้ว นี่ก็เป็นเหตุการณ์ก่อนถึงกุสินาราสัปดาห์หน้าเราคงจะได้ไปถึงสถานที่แห่งการปรินิพานนะคะวันนี้นำมาส ก, การขอบพระคุณท่านมากเอาไว้นะโอกาสนี้ค่ะเชิญพานมัส ก, การค่ะ